Yeah. <laughs> ตอนเช้านะก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยครบ40ปีของเหตุการณ์6ตุลาตอนที่เกิดเหตุการณ์คือปี19หลายคนในที่นี้คงยังไม่เกิดที่เกิดแล้วก็อาจจะจามไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งนัที่มันเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมันไม่ใช่แค่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองธรรมดานะแต่มันมีความหมายมากกว่า น, นั้น อเมริกาเนี่ยเขามีเหตุการณ์11กันยาเมืองไทยก็มีเหตุการณ์6ตุลาพูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่าเกินเลยไปบ้างนะเพราะว่าเหตุการณ์11กันยานี่คนตายเป็น 2- องสาพคนเหตุการณ์6ตุลาตัวเลขทางการกบอกสี่กว่คนนะแต่ว่าตายจริงอาจจะเป็นร้อยนะแต่คนที่ได้รับผลกระทบนี่ถูกจับติดคุกติดตารางนี่ก็ 3,000 คน ธรรมาก็อยู่ในนั้นด้วยนะพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่มันก็แตกต่างกันหลายอย่างนะนอกจากจำนวนคนตายที่แตกต่างกันแล้วอุบัติภัยก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะเหมือนกันอย่างนึงคือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เสียดสยองสะเทือนใจของไทยอาจจะสะเทือนใจเสียดสยองมากกว่าเพราะมันมีภาพคนถูกแขวนคอจนตาย นนั้นไม่พอก็ยังมีคนไปทํำร้ายศพเอาเก้าอี้ไปตีเอาของแหลมไปแทงบางศพนี้ก็ยังไม่ทันตายทีเดียวก็เอาไปเผานั่งยางรยกเผาทั้งเป็นแขวนคอตายทั้งเป็นแล้วก็มีการเอาเอาลิ่มไปปัก อ, อกคนซึ่งก็ไม่รู้าตายหรื อ, อยังมีการ ณำนอนาจารกับศพเช่นชีใสมั่งละหรือว่าทำมีดมีไายกับร่างของผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าทำก่อนตายหรือหลังตายพวกนี้มันมีการถ่ายเป็นเป็นภาพถ่ายนะนะหมดแล้วก็ที่ไม่เป็นภาพก็คงมีเยอะซึ่งเหตุการณ์สะเบกัญยามันไม่มีภาพแบบนี้หรอกแต่ทั้งสองเหตุการณ์อีกอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือมันเกิดจาก อำนาจของความโกรธความเกลียดนะคนเราพอโกรธเกลียดแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถจะทำสิ่งที่น่าสะพึงกลัวหรือเสียดสยองได้ไม่ต้องมีอาวุธอะไรมากนะก็สามารถจะสร้างความฉิบหายให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ในการ6กตุลาเนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าดื้อๆมา ไ, ไปเถอะนะอย่าเอามาจาเลยนะ เป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บที่จริงยิ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่สยดสยองที่สะเทือนมโนธรรมของเราเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องจดจำนะเพื่อจะได้เป็นบทเรียนไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจําอะไรได้เนี่ยมันต้องผ่านความเจ็บปวดหรือผ่านความรู้สึกที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอย่างเช่นเด็กทารกหรือเด็กอ่อนเนี่ยเด็กเล็กเนี่ย บอกเขาว่าไฟฟ้าหรือไฟเนี่ยมันร้อนอย่าเข้าใกล้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่บันทึกไปในสมองแต่ว่าเด็กจะจำว่าไฟนี่มันเป็นโทษเป็นอันตรายเนี่ยจริงๆก็เพราะว่ามือนี่ได้ไปถูกไฟเกิดความเจ็บก็จะหลับจำนะแล้วก็จะไม่เข้าใกล้ไฟอีกต่อไปหลายคนก็เรียนรู้จากความล้มเหลวความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างเด็กนักเรียน หลายคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่เล่นหรือไม่ก็คุยกับแฟนพ่อแม่ก็บอกว่าให้ขยันเรียนไม่งั้นจะสอบตกเด็กก็บอกไม่เป็นไรนะไม่ตกหรอกแต่พอสอบตกเขอจริงๆโอ้ยร้องห่มร้องไห้ตอนนั้นแหละถึงจะจำได้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำนะกลายเป็นบทเรียนมาต่อไปนี่ต้องขยันเรียนแล้วจะไม่ประมาท พระพุทธเจ้าเคยตรัสนะถึงคนสประเภทนะเปรียบกับม้าสชนิดม้าชนิดแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชนิดที่สองนี่ต้องโดนทิ่มต้องโดนประตักทิ่มนะมันถึงจะรู้ว่าควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือต้องเจ็บก่อนไประเภทที่สาเนี่ยต้องโดนทิ่มนะถึงเนื้อนะต้องเจ็บกว่าเดิมนะถึงจะรู้ ปรเภสีต้องโดนทิ่มไปถึงกระดูกเลยเนี่ยถึงจะรู้ว่าจเจริญซ้ายเลี้ขวาก็เปรียบได้คนสีประเภทประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ข่าวว่ามีคนตายแค่ได้ยินเท่านั้นแหละก็เกิดความตื่นตัวขนขวายนะปฏิบัติธรรมประเภทที่สองต้องเห็นคนตายก่อนเห็นคนตายก็สยองแล้วโอ้เอาละตอนนี้ก็ขนขวายแล้วหันหน้าเข้าหาวัดนะปฏิบัติธรรม ประเภทสามนีต้องเจอคนใกล้ตัวตายได้ข่าวนั้นแหละหรือรู้ว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตายเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวประเภทที่สีหนักกว่านั้นนะคือต้องเจอด้วยตัวเองคือกำลังจะตายเนี่ยเช่นเป็นโรคร้ายเนี่ยถึงค่อยอขยับเข้าหาธรรมะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเพื่อเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือ3าประเภทหลังเนี่ยต้องเจ็บปวดก่อนนะ ต้องเจออะไรมากระแทกแรงๆถึงเกิดการเรียนรู้เกิดความตื่นตัวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำให้เจ็บปวดเมื่อเราลึกถึงนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีที่ทำให้เราเกิดบทเรียนขึ้นมาเพื่อจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกของแบบนี้ลืมไม่ได้นะเพราะถ้าลืมแล้วก็จะทำซ้ำอีก มันมีคาพูดว่าเป็นภาษาฝรั่งก็ forgive not forget นะให้อภัยได้แต่อย่าลืมนะเวลาเราลําลึกถึงเหตุการณ์แบบนี้นะเหตุการณ์ที่เสียดสยองแบบนี้เนี่ยนะเราก็พร้อมจะให้อภัยแต่ว่าต้องไม่ลืมส่วนเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็ไปว่ากันไปนะเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ในทางทำแล้วเนี่ยนะ เราก็ถือว่านะให้อภัยเพราะว่าทําไมหาให้อ ภ, อภัยแล้วเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดและวมันจะทาให้อีความโกรธความเกลียดเนี่ยมันสืบทอดไม่มีวันจางคลายและความโกรธความเกลียดนี่เป็นปัญหายังไงเนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องนะระลึกนึกถึง ถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษานะเพื่อว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวบทเรียนนะบทเรียนจากเหตุการณ์นีนะ่มีมากมายหลายอย่างแต่ดูเหมืนว่าคนไทยจะไม่ค่อยได้เก็บบทเรียนเท่าไหร่หรือเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เท่าไหร่ไม่งั้นมันไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดนะซ้ําแล้วซ้ําเล่าตั้งแต่14ตุลาหนะึ่งหกจนถึงปัจจุบันเนี่ย 42ปีเนี่ยก็มีเหตุการณ์นองเลือดใหญ่ใเนี่ยครั้งเข้าไปแล้ว14ตุลา16ึตุลา19แล้วก็พฤษภา53แล้วก็พฤษภา3พฤษพฤษภา35แล้วพฤษภา53ายังไม่นับการวินาศกรรมการาประัะทะกันจนมีคนตายประปรายอีกหลายครั้ง เวลามีการชุมนุมนทั้งของเสื้อแดงทั้งของพันธมิตรทั้งของกปปสเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเทศไหนนะที่มีเหตุการณ์นองเลือดติดติกันเนี่ยสีหครั้งในเวลาไม่ถึง40ปีนะมันแสดงว่าคนไทยนี่ไม่ได้สรุป บ, บทเรียนเลย น, นี่บทเรียนจากเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างนะที่สำคัญเนี่ยสำหรับพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะ ก็คือว่ามันเช่เห็นนะถึงโทษของความโกรธความเกลียดคนที่เขาเอาเก้าอี้ฟาดเพื่อลมชาติที่ห้อยตรงเตงอยู่กับกิ่งไม้ทั้งหน้าที่ยังไม่ทันตายอามีไปแทงหรือลากศพเขาไปตามสนามฟุตบอลจนเขาขาดใจตายหรือว่าเอาเขาไปเผาทั้งเป็นเนี่ย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมาในใจนะกับพวกเราเโดยเพะกับตัมมาคือว่ามนุษย์เราทากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างไรนะคือทำกับคนต่างชาตินี่มันก็แย่แล้วนะมันเท่าคนไทยด้วยกันเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่โดยเพราะคนที่ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบบกแวงกันเป็นส่วนตัวเราไม่ทำอย่างนั้นแม้กระทั่งกับสัตว์ด้วย กับสัตว์เช่นหมาเช่นมแมวล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่ว่าไปสัตว์เองก็ไม่ทําอย่างนั้นกับกับพวกเดียวกันนะหมาเนี่ยเวลามันกัดกันแล้วอีกฝ่ายหนึงยอมแพ้มันก็เลิกนะมันไม่กัดจนตายหรอกพอให้อีกฝ่ายนึงแสดงท่าทียอมแพ้มันก็มันก็ไม่ยุ่งแล้วแต่ว่าเหตุการณตุลาเนี่ยนะทางเพียงผู้ชายเที่ประชุมนุ่นที่อยู่ธรรมศาสตร์หลายคนก็ก็แสดงทีท่าว่ายอมแพ้แล้วนะ แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมก็ยังทำร้ายจนตายนยไม่มีปืนไม่มีอะไรนะก็ใช้วอาวุธใกล้ตัวนี่แหละลิ่มบ้างไม้บ้างฟาดเข้าไปอะไรทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นนะคนเหล่านี้เนี่ยก็อาจะเป็นคนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องอาจะเป็นคนมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ก็เหมือนกับเราๆท่านท่านนี่แหละนะ แต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์นะกลายเป็นปีศาจร้ายเนี่ยอันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความโกรธความเกลียดนะ่ะคือพอมีความโกรธความเกลียดแล้วเนี่ยปีศาจร้ายมันก็เข้าสิงทันทีเลยและพอเข้าสิงนะมันก็ทําอะไรก็ได้สามารถจะทําร้ายคนที่ไม่มีอาวุธทําร้ายผู้หญิงที่ ไม่มีหนทางต่อสู้นั่นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาเพียงแต่ว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นการทำร้ายระหว่างคนใกล้ตัวสามีทำร้ายภรรยาพ่อฆ่าลูกนะหรือว่าลูกฆ่าพ่อเพื่อนฆ่าเพื่อนไอ้คนด้วยการทำอย่างนั้นได้ไงก็เพราะความโกรธความเกรยีกรยดเพราะว่าพอโกรธเกลีกยดมัน ครอบกำจายแล้วก็ลืมตัวนะคนเราพอลืมตัวแล้วมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทําร้ายคนที่ตัวเองเคยรักนะอย่างเช่นพัวเนี่ยนะรักเมียก็ฆ่าเมียพ่อรักลูกก็ฆ่าลูกเพราะตอนนั้นมันไม่มีความรักมีแต่ความโกรธความเกลียดไอ้ความโกรธความเกลียดนี่แหลนะคือตัวการสําคัญเลยนะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์หกตุลามันไม่ใช่ฆาตรกรมันไม่ใช่ในายกรนายขอ ทหารคนน้นตำรวจคนนั้นนะที่ก่อกเหตุการณ์สยองขวัญไอตัวการจริงอนะ่ะคือความโกรธความเกลียดนะเพราะถ้ามันสิงใขมันเข้าครองใจใครแล้วเนี่ยคนนั้นก็สามารถจะกลายเป็นปีศาจร้ายได้แล้วเราทุกคนเนี่ยนะก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ทั้งนั้นนะมีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้ทั้งนั้นนะถ้าเราเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครองใจก็ข่าวคร า, าวของ คนธรรมดาสามัญที่กลายเป็นฆาตากรเนี่ยนะเขาไม่ได้ฆ่าใครเขาฆ่าคนใกล้ตัวอย่างที่บอกนะเขาฆ่าคนที่เขาเคยรักนะีอาจจะเป็นเมียเป็นผัวเป็นลูกมันอาจจะยิ่งกว่าพวกเอ่อพวกนักเรียนอาชีวศึกนะพวกนักเรียนอาชีวะนี่ทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้รู้จักกันนะไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาคนเหล่านั้นเพราะไม่ได้มีความเกี่ยวดองกัน ในง่หนึงก็การทําร้ายคนเรานั้นก็เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าคนรู้จักกันก็สามารถจะทําร้ายกันได้ก็เพราะเหตผลเดียวคือความโกรธความเกลียดที่จริงมีความโลภตามมาด้วยนะอย่างเช่นลูกที่ฆ่าพ่อแม่เพราะอยากได้มรดกนะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะไอ้ส่วนใหญ่คือความโกรธความเกลียดนี่แหละที่มันทาให้เผลอตัวลืมตัว เคยเล่าไปแล้วนะว่าเหตุการณ์ที่ประเทศอินเดียเยมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้ชายคนนึงก็เอามีดจ้วงแทงผู้หญิงซึ่งที่จริงก็คือเป็นคนที่ตัวเองเคยรักหรือกำลังรักอยู่ได้ซ้ำคอยตามจีตทั้งที่ตัวเองก็มีเมียแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยผู้ชายก็แทงต่อหน้าฝูงชนในกรุงเด ล, ลีหลายคนดูขาแล้วก็สงสัยมันทาได้ยังไงีจริงทุกคนก็มีสิทธิทาอย่างนั้นได้นะ ถ้าความโกรธความเกลียดมันคลองใจจนลืมตัวหลายคนสงสัยว่าเอา้าแล้วคนอื่นที่อยู่รอบๆทาไมเขาไม่ไปช่วยไอ้พวกที่มันแย่เหลือเกินที่จริงถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์งั้นเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเพราะความกลัวใอ้เหตุการณ์6ตุลานี่ตอนที่อ า, อาตมาอยู่ในธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่รับรู้นะว่ามันมีเหตุการณ์เสียดเสียอะไรบ้าง พอติดคุกสามวันออกมาได้รับการประกันมาฟังข่าวแล้วก็สลดใจมากรู้สึกไอ้ความศรัทธาในในมนุษย์เนี่ยมันลดน้อยถอลงมากแล้วทำไมคนเราถึงทำอย่างนี้กันได้กับเพื่อนร่วมชาติดกันความเป็นมนุษย์มันหายไปไหนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีและด้านลบนะด้านร้าย หากว่าเราสามารถปกป้องไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาคร่อบ ง, งาใจเนี่ยผลก็ไม่ทําอย่างนี้กันหรอกตอนนั้นก็เลยรู้เลยว่าโอ้สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดนะแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวการของเหตุการณ์เนี่ยคือความโกรธความเกลียดตอนนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํำคือพยายามต่อสู้กับความโกรธความเกลียดให้ได้นีไม่ใช่ไปต่อสู้กับใครต่อใครจําได้นะตอนที่ อยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ยอมแพ้นะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยนอนราบกับพื้นที่สนามฟุตบอลคนเป็น 2-3 สาพันคนแล้วนะนะถอดเสื้อหมดผู้หญิงก็ต้องถอดเสื้อเพื่อทยอยกันลำเลียงคนขึ้นรถรถเม์พอได้พอถึงเวรตัวเองนะก็ต้องรีบวิ่งขึ้นรถ เรียงเป็นแถวเรียงหนึ่งบอกว่ามีคนเนี่ยเรียประชาชนผู้รักชาติยืนเป็นแถวเลยนะส อ, สองแถวพอเราวิ่งขึ้นรถผ่านเข้าก็เตะเตะบ้างทีบ้างนะมีคมนนึงโดนเตะจนล้มเลยแล้วจุกมากเลยเหลือมองไปที่ใบหน้าของประชาชนผู้รักชาตินะ ก็เห็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบ 40. หน้าตาเขาดูโหดเที่ยมมากเลยหน้าตาถ้าว่าไปก็เหมือนกับเป็นยักษ์เป็นมารตอนนั้นแหละที่เห็นแล้วโอ้ความโกรธความเกลียดนี่มันทําลายทําลายคนเราทําลายคนนเปน็ความเป็นมนุษย์ได้ขนาดนี้ก็เลยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เป็นตัวการสําคัญหรือศัตรู ข, ของมนุษย์อย่างจริงไม่ใช่ในกอนในขอนะัมันคือความโกรธความเกลียด ก็เลยตั้งตั้งความปัดตั้งตั้งจิตว่าเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นศัตรูับความโกรธความเกลียดนะไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะทําลายล้างใครให้อภัยเขาได้ซ้ำนะให้อภัยคนที่เขาเขาเตะเขาถีบเราเพราะรู้ว่าเขาเขาไม่รู้ตัวเราวว่าเขาอะไรอยู่เอาคนเราเนีขาไม่รู้ตัวนะว่าทําอะไรอยู่เพราะว่าเขาลืมตัวไปแล้วแต่ที่เขาเป็นงั้นเพราะความโกรธความเกลียดนั่นแหละ ก็เลยตั้งจิตว่าเนี่ยถ้าถ้าจะถ้าจะเป็นศัตรูเนี่ยขอเป็นศัตรูกับความโกรธความเกลียดนี่แหละไม่ใช่เป็นศัตรูใครเลยอันนี้ถามว่าความโกรธความเกลียดนี่มาจากไหนนะมันก็มาจากหลายเหตุผลนะแต่ในเกณินหตุลานเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐินะมันมีกิเลสอยู่3ามตัวนะตัณหามานาทิฏฐิความรุนแรงเข้าเกิดจากตัณหา เช่นอยากขโมยอยากขโมยก็ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่าขโมยแล้วมันไม่สําเร็จผลมีคนขัดขวางเจ้าทรัพย์ต่อสู้ก็ต้องฆ่าอั น, นเรียกว่าทําได้ตันหาหรือจะไปชำเราผู้หญิงผู้หญิงเขาต่อสู้ก็เลยฆ่าเข า, าตอนนั้นเกิดความโกรธที่ว่ามันไม่ได้ดังใจความโกรธเจประเภทนี้ก็เกิดจากมานะเช่นถูกยามเหยียดนะ ถดูมินศักดิ์สีนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผัวไปงอนงาะเมียให้กลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยงลูกเ <c oughs> มียก็ไม่ยอมผัวก็ซาอ้าอนวอนเมียก็เฉยแถมได้อีกผัวก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียหน้า <c oughs> รู้สึกดถูกนะถูกยามศักดิ์ีนะไอ้มานน้าเนี่ยมันถูกกระทบอย่างแรง ก็เลยหาทางที่จะเอาชนะวิธีที่เอาชนะก็คือการฆ่าผู้หญิงคนนั้นเอาคนเรานี่มันมี m า n a mana นี่มันไม่ยอมแพ้นะถูกดา่าถูกเย็ดยามในความรู้สึกของเขาเนี่ยก็ต้องเอาชนะก็เลยฆ่าซะเลยหรือพูดนักเรียนอาชีวะที่ทุบตีกันทำร้ า, ายกันก็เพราะเรื่องศักดิ์ศรีหน้าตา แต่ที่เหตุการณ์ตุลาเนี่ยมันเกิดจากทิฏฐินะคือ <c oughs> ความยึดติดถือมั่นในความคิดพวกที่ก่อความรุนแรงในเหตุการณ์ธรรมศาสตร์นี่ก็ <c oughs> เขาเรียกตัวเอาประชาชนผู้รักชาญเนี่ยเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นในอุดมการชาติสังกษ์ศักดิ์มากแล้วเขาก็เห็นว่านักศึกษาเนี่ยเป็นพวกที่เป็นภัยต่อสถาบันช า, าติสังกษ์ักดิ์ คือเป็นคอมมอนนิสต์นะเพราะเขาได้ข้อมูลถูกปลุกปั่นยุยงมาสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียก็มีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ปลุกปั่นกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นักศาก็เลยถูกวาดภาพเป็นตัวร้ายเป็นคอมมอนนิสต์เป็นพวกไม่รักชาติที่จริงนักศาส่วนใหญ่นี่ก็รักชาติสากินะแต่อาจจะไม่ได้รักในแบบของคนเหล่านั้นซึ่งเราเรียกง่ายๆรวมๆเป็นฝ่ายขวา ก็อจจะมีบ้างบางคนนะที่อาจจะมีอุดมการอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครนี้พอมีความยึดติดถือมั่นในทิฐิอุดมการในรัฐที่อุดมการเนี่ยพอเจอคนที่คิดเห็นต่างจากตัวหรือเข้าใจว่าเขาเนี่ยนะเป็นอันตรายต่อสิ่งที่ตัวอุตท่า์ยึดมัน่นถือมัน่นก็เลยเกิดความกลัวความโกรธและความเกลียด พอความโกรธความเกลียดเข้าสิงนะคราวนี้แหละคนดีๆก็กลายเป็นผีร้ายทันทีนะแล้วก็พร้อมที่จะทำร้ายทำลายพร้อมที่จะฆ่าอาตมาอย่างนี้ก็นัาประโชคดีที่รอดมาได้นะเพราะว่าตอนที่ถูกลำเลียงตอนที่อยู่ในรถนะเพื่อที่เขาจะลำเลียงไปไปเข้าคุกบนเส้นทางจากธรรมศาสตร์มาจนถึงหน้ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีสีแยกหลายจุด พอถึงสี่แยกทีลายรถติดรถหยุดเนี่ยก็จะมีประชาชนพวกรสชาติขึ้นมาจะเอาไม้เอาก้อนหินมาคว้างตรงกระจกนะและ้วถ้าพวกนี้ถ้าปีนขึ้นมาแรกจะปีนเพื่อจะลากพวกเราลงไปถ้าถูกลากลงไปก็ถูกกระทึบตายกันนั่นแหละโอตอนนั้นกลัวก็กลัวนะต้องต้องก้มตัวลงให้ต่ําที่สุดให้อยู่ใต้ใต้หน้าต่างรถเมล์หน้าต่างรถเมล์ก็แตกนะ ก็ม่รู้ดีที่ไม่มีใครโยนระเบิดเข้าไปตอนนั้นทํางนี้ทําได้ทั้งนั้นนะตํารวจไม่จับอะ่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วงที่มันบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรแต่ก็รอดมาได้ไอ้ทิฐิเนี่ยนะความยึดติดถือมัน่นในทิศิความเห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่าพอยึดมั่นถือมัน่นในทิฐิอุดมการณ์แล้วก็ตามพอเจอคนที่ไม่เห็นด้วย กับทิฐิความเห็นของเราเนี่ยเราก็จะโกรธเกลียดเขานะถ้าเป็นพี่น้องก็อาจจะทะเลาะ ก, กันหรือตัดญาติขาดมิตรหรือว่ า, าตัดความสัมพันธ์ในพี่น้องอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างสีแต่ตอน6ตุลานี่มันแรงมากนะพร้อมที่จะฆ่ากันได้มันก็หน้าแปลกหน้าเศร้านะชาสากลสันเนี่ยถ้าถ้าเรานับถือนะถ้าเราขับรถนะมันน่าจะ น้มน้ำใจเราให้ทําความดีทําความดีเพื่อชาติทำความดีเพื่อศาสนาทําความดีเพื่อพระมหากษัตริย์แต่พอยึดติดถือมากมากเนี่ยมันสามารถทําให้เราทำทำชั่วได้อย่ว่าแต่ชาติสักกษัตริย์เลยแม้กระทั่งพุทธศาสนาเนี่ยถ้ายึดติดถือมากมากเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้ทําชั่วได้ทําความรุนแรงทําสิ่งที่พุทธเจ้านเนี่ยไม่ได้สอนหรือว่าปฏิเสธด้วยซ้ํา อย่างที่เราได้เห็นมีชาวพุทธในพม่าไปไปเผาบ้านของชาวโรฮิงญาในพม่าเพียงเพราะเขาเป็นอิสลามเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นพม่าเป็นชนต่างชาติหาว่าเป็นผู้ที่เป็นภัยต่อาศาสนาพุทธคือถ้าจะรักษ า, าศาสนาพุทธมันก็ต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมะไม่ใช่ใช้วิธีการที่เป็นอธรรมแต่ว่าถ้ามีความยึดติด ถ, ถือมั่นเรียกว่าอุป ก็ทิฏฐูปาทาแล้วเนี่ยทิฏฐูปาทาแล้วเนี่ยมันก็ลืมตัวได้ง่ายนะเพราะว่า ม, มันเปิดช่องให้ความกลัวความเกลียดเข้ามาครอบงำแล้วพอความกลัวความเกลียดครอบงำแล้วก็คนดีก็กลายเป็นผีร้ายทันทีนะแม้แต่เป็นพระก็สามารถจะทําทร้ายผู้คนได้หรือฆ่าคนได้อันะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากในความยึดติดถือมั่น แม้ว่ารัติอุดมการ์อะไรก็ตามที่เราเห็นว่าดีก็ต้องอย่าไปนับถือจนนะจนลืมตัวอันนี้พูะเจ้าก็สอนไว้แล้วนะว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยที่แสดงเนี่ยเป็นเหมือนแพรมีไว้ข้ามฝั่งเมื่อเดินถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกแพรไปด้วยคือพระสงฆ์สาวะธรรมะพระงคเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นปัสาวะอะไรกับอาธรรมนะไม่ควรยึดมาถือมากมากว่าใช้ให้ถูกกรณีนะแต่ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่นี่ยการที่เราจะมองเห็นคนอื่นเป็นศัต ร, ตรูก็เกิดขึ้นได้ง่ายความวุ่นวายในบ้านเมืองทั่วโลกเวลาเนี้ก็เกิดจากความยุดติดในทิฏฐิอุดมการ์อาจจะเป็นศาสนาตอนนี้ความยุติถือมาในศาสนาเคยทําให้เกิดสงครามมาแล้ว ในอดีตแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นแต่เป็นสงครามก่อการร้ายมากกว่าฉนั้นต้องระวังนะเวลาเร า, ามีลัฐที่อุดมการ์อะไรเนะี่ยจะไปยึดติดถือมั่นมากจนลืมตัวนี่ก็เป็นบทเรียนอีกประการหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งก็คือความรุนแรงเนี่ยนะมันไม่เป็นคุณกับใครอะ่ะเทศการกลริยาร์เนี่ยนะ ประชาชนผู้รักชาติที่ว่าถ้าใช้ความรุนแรงกำจัดนักศึกษาได้บ้านเมืองจะสงบนะชาติศาสษัตริย์ก็จะปลอดภัยมั่นคงแต่ที่ไหนได้นะพอใช้ความรุนแรงแบบนั้นนะประเทศชาตินี่มันเกิดความสั่นคลอนขึ้นมาเลยนะเพราะว่านักศึกษาหลายคนนะ่ยที่เขาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้คลั่งอุดมการ์มากแต่พอเข เ, เจอเหตุการณ์หัตุลานี้เขาเขา้เขาป่าเลยนะเข้าป่าไปร่วมจับอาวุธนะไปจับอาวุธร่วมเป็นกองกําลังกับพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยมีนักศึกษาเข้าป่าเนี่ยเป็นหลายพันเลยนะพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าไหร่นะก็เรียกว่ากลับกลับแข็งแรงขึ้นมาเลยกลับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยใครดูกันศาสนาคือพุทธศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะ เพราะว่ามีพระสอนว่าฆ่าคอมิตนไม่บาปอันนี้ก็พูดด้วยอํานาจของทิฐินะอำนาจความโกรธความเกลียดก็กลายเป็นว่าแทนที่บ้านเมืองจะสงบนะมันวุ่นวายเมืองไทยนี่โชคดีมากนะตอนนั้นภาคอมิ้นเนี่ยก็เข้มแข็งขึ้นเยอะเลยเราเกิดสงครามเกิดการก่อการร้ายเกิดการสู้รบกันทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มันเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองอยู่แล้ว ถ้าหากว่าคอมมิวนิสต์ในโลกมันไม่ขัดแย้งกันคอมมิวนิสต์จีนขัดแย้งกับคอมมิวนิสต์เวียดนามคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมาหันญาติดีกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็เลยบอกว่าให้คอมมิวนิสต์จีนอย่าสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยสถานีวิทยุเสียงประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ขอให้ยกเลิกซะพอนิรภัยเปลี่ยนนี่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็อ่อนแอเลยสุดท้ายก็ พวกเข้าป่าก็ออกมามอบตัวเพราะเสื่มศรัท ธ, ธาในอุดมการคอมนิสเสื่อมศรัทธาในพรรคคอมนิสไทยซึ่งเดินตามพรรคคอมนิสจีนเมืองไทยโชคดีมากเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นี่ก็สงครามกลางเมืองแบบที่เกิดขึ้นในเวียดนามในลาวในเขมรและที่มันเกิดถ้ามันจะเกิดขึ้นได้กรเพราะเนี่ยเหตุการณ์ของตุลามีส่วนมากเลยสมัย น, นั้นนะใครที่สนใจบ้านเมืองน้อยคนนะ้ะที่จะไม่คิดเข้าปาา่าเพราะทนไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้ อันนี้มันชื่เห็ น, นว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดผู้เจ้า ก, ก็สอนแม่แล้ว่างเวรย่อมแม่แล้งับด้วยการจองเวร น, นะความรุนแรงมีแต่สร้างความรุนแรงมากขึ้นแต่คนก็ไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวบทเรียนนะเวลาไม่พอใจใครก็ใช้วิธีการปราบปรามเหมือนเดิมนะก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดซ้ําแล้วซ้าเล่าจริงๆเลยนะ มนุษย์นะ่ยไม่ใช่ศัตรูนะไอ้ศัตรูเนี่ยคือความโกรธความเกลียดแล้วความโกรธความเกลียดพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะนําพาผู้คนมันก็จะสั่งคนให้ใช้ความรุนแรงเริ่มจากการด่าก่อนนะถ้าด่าไม่ได้หรือด่าไม่หนาใจก็ทําร้ายทําร้ายเข้าของแล้วก็ทําร้ายชีวิตูเจ้า ก, ก็สอนนะว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบนะแต่ว่าคนก็ยังใช้ความรุนแรงกัน อยู่ไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งไม่ได้ศึกษาหรือเก็บเกี่ยวบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยกับใครก็ตามถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นตัวปัญหาก็อย่าคิดใช้ความรุนแรงกำจัดคนเหล่านั้นเพราะว่าถ้าใช้ความรุนแรงกำจัดคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยปัญหาก็จะบานปลายอีกคนอาจจะถูกกำจัดนะ แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ลดลงนะพอเราไปฆ่าเขาทำร้ายเขาญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเ้าก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องใช้ความรุนแรงนะตอบโต้มันก็จะความรุนแรงก็บานปลายและบ้านเมือก็หาความสงบไม่ได้นะต้องใช้สันติวิธีนะอันนี้พุทเจ้าก็สอนไว้แล้วนะว่า พึงชนะความชั่วด้วยความดีนะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความตณ์ดีด้วยกันให้อย่างที่ผู้วายรัตตอนนี้เนี่ยก็มีการปลูกกระสาความโกรธความเกลียดในหลายเรื่องแม้กระทั่งปลูกให้โกรธให้เกลียดศาสนาอิสลามนะมีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงบ้างเท็จบ้างแต่ว่าล้วนแปลูกให้เกิดความโกรธความเกลียดและความกลัว มันก็เข้าสู่อีลอดเดิมนะคือไม่เห็นโทษของความโกรธความเกลียดความกลัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีศาสนาใดที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนานะสิ่งที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนาคือกินกามเกลียดแล้วก็โกรธเกลียดกลัวก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสนะมันก็จะแปลมาเป็นรูปกินกามเกลียดแล้วโกรธเกลียดกลัวสิ่งที่ชาวพุทธควรจะควรจะกลัวก็คือพวกนี้แหละพวกกิเลส ที่มาในรูปของกินการเกรยียดแล้วก็โกรธเกลียดกลัวนะแล้วถ้าเกิดว่าไปไปไปใช้โกรธเกลียดกลัวเนี่ยนะกับใครก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้แม่จะทำในนามของพุทธศาสนาเนี่ยแม่ทำเพื่อพิทักษุพุทธศาสนาเนี่ยแต่มันกลับเปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงาเราจะรักษาพุทธศาสนาก็ต้องใช้วิธีที่เป็นธรรมะนะ เริ่มต้นด้วยการรักษาใจของเราให้มีธรรมะก่อนอย่าให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำนะเพราะถ้ า, าความโกรธความเกลีกยดครอบงาแล้วเนี่ยใจเราก็ยากที่จะมีธรรมะนะและกายวาใจาของเราก็ยากที่จะเป็นไปตามธรรมะพอพอโกรธเกลียดเริ่มก็อยากจะทำร้ายอยากจะดา่าอยากจ ะ, ะปล่อยค่าวเลยอยากจะใส่ร้ายงั้นถ้าเราไม่มีธรรมะในใจเราใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมะนี่มันจะรักษาพุทธศาสนาได้อย่างไร อย่างแรกคือว่า อ, อ, อาจจะมีคนมุสลิมบางคนบางกลุ่มนะที่เขามีความประสงค์ไม่ดีกับพุทธศาสนาแล้วก็ยเหมาว่าเป็นเรื่องของศาสนาอิสลามอย่าไปเหมารวมนะแล้วขณะเดียวกันนะจะสู้กับเขาเนี่ยสู้กับคนที่ไม่ปรารถนาไม่ดีหรือว่ามีเจตนาร้ายเนี่ยเราก็ต้องสู้ด้วยวิธีแห่งธรรมะนะด้วยกวารรักษาใจของเราไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงา แล้วก็ยับยังชั่งใจอย่าให้ใช้ความรุนแรงนะพอถ้าเราใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยก็เท่ากับเปิดช่องให้กิเลสสมาร์หรือว่านะให้ปีศาจร้ายเนี่ยมันเข้ามาครอบมาจิตใจให้ทากิจก็ต้องคู่กับทาจิตนะทำกิจก็คือการรักษาวุตศาสนาให้มั่นคงแต่ก็ต้องก็ต้องทำด้วยการทํากิจทาจิตด้วยคือจิตใจเราก็ต้อง นะปลอดจากความโกรธความเกลียดให้มีเมตตากรุณามีการให้อภัยมีขันติธรรมจะทํำกิจก็ต้องใช้วิธีอย่างที่ผู้เจ้าสอนนะเอาชนะความช่วยด้วยความดีเอาชนะความต่อหนีด้วยการให้เอาชนะคําเท็จด้วยสัจจะเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธอันนี้เราเป็นวิธีแห่งพุทธนะเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาธรรมะในใจแล้วก็รักษาพุทธศาสนาได้ถ้าใช้วิธีอื่นหรือวิธีตรงข้ามเนี่ย นอกจากเราจะไม่เป็นพุทธแล้วนะยังอาจจะบันทอนพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตัวด้วยบันทอนพุทธในนามของการปกปักรักษาพุทธศาสนาอันนี้คือบทเรียนที่เกิดขนะึ้นจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์รวมทั้ง6ตุลาด้วยคำ น, นี้ก็ฝ่ายพิจารณานะากราบพระพร้อมกัน